เรื่องนี้เป็นอีกตอนหนึ่งของชุดไอเรืองพพนจรนับตั้งแต่นี้ความอกหักจากบ้านมาพโพเขตภาชีนโน้นจนมาได้เพื่อนฝูงขึ้นเพื่อนคนแรกชื่อว่าในปุ๋ยคนที่สองคือในใหญ่ทั้งสองนายนี้เป็นคนอยุทยาบ้านเดียวกันแล้วก็มาได้เพื่อนรุ่นพี่ป้า น, น้าอาอีกก็คือในเกลือคนกรุงเทพหางานให้ทำพอมีข้าวใส่กระเพาะก็จัดว่าพอมีทางสบายไปแค่คนยาก แต่ว่ามาเกิดเหตุบางอย่างขึ้นจนทําให้ไม่มีความสุขซะอีกแล้วแอดเรื่องผู้พลัดที่นาคาที่อยู่ก็กําลังกระวนกระวายนักผมกับพี่ใหญ่นั่งดื่มเหล้ากันอยู่ในเย็นวันหนึ่งที่ร้านชายทุ่งหลักสี่เพราะว่าการทําถนนของกรุงเทพมหานครสู่เหนือได้รีบรุดรวดเร็วจากสี่แยกสนามเป้ามาถึงหลักสีแล้วนัเกลือที่นับถือของเราก็เกิดเจ้าชู้เป็นตอนแก่ๆคือมาได้เสียกับแม่ค้าขายข้าวแกงแล้วก็ขายเหล้า แม่เหรียญคนนี้เป็นแม่ไม้ลูกติดมีลูกสาวสองคนเริ่มโตเป็นสาวในผันสามีแม่เหรียญเนี่ยผู้ที่ชอบพอคุ้นเคยกับนาเกือ้อมาเกิดตายจากไปแม่เหรียญผู้ไม่มีญาติก็ว้าเวนักพออาศัยนาเกือ้อคนชอบพอกันนี้ช่วยดูแลป้องกันไว้ให้แทนสามีที่ตายในที่สุดก็ได้เกิดความรักแล้วก็ฝากผีฝากไข่กันขึ้นโดยออกหน้าออกตาลูกสาวสองคนก็มิได้ขัดขวางแม่ของตัวแต่ประการใด พูดกันตามที่ถูกที่ควรแล้วถ้าลูกของแม่เหรียญเป็นชายนกเกื้อก็จะไม่มีทางดีอะไรเลยโบราณว่าลูกติดที่เป็นชายนั้นเสมือนหอกข้างแคร่ไว้ใจยากตายเมื่อไหร่ไม่รู้ตัวแต่นี่ลูกแม่เหรียญเป็นหญิงแม่เหรียญก็ไม่มีทางดีอะไรนักมีแต่ทางเสียฝ่ายเดียวถ้าเกิดว่าเนืกเกื้อจะเป็นพญาเทครัวขึ้นมาแม่เหรียญของเราก็จะมีแต่น้าตาเช็ดหัวเข่าถ่ายเดียว เมื่อมาคิดๆ ด, ดูนะคะก็สงสารแม่เหรียญอยู่ไม่น้อยค่ะสามีตายลงขาดญาติมิตรที่เพึ่งพิงก็มีแต่นื้เกื้อเท่านั้นที่เคยเห็นใจกันมานืเกื้อเนี่ยเป็นนายงานทำถนนแม่เหรียญกับนายผันสามีที่ตายก็ติดตามตั้งร้านค้าขายข้าวแกงแล้วก็สุราตามกันมาผมกับพี่ใหญ่เนี่ยไม่มีความเห็นอะไรก้าวไก่ไปในทางผู้ใหญ่ได้รู้สึกเพียงว่า นับไหลเมียเก่าของนักเกือที่อยู่แถวมักกะสันก็เป็นผู้หญิงดีควรนับถือ แล้วก็แม่เหรียญคนใหม่นี้ก็สุภาพดีพอๆกันแล้วก็นักเกือก็ทำตัวเป็นผู้ชายที่ดีคนหนึ่งคงไปมาหาสู่นะปล่อยไม่ขาดตกบกพร่องแต่ทางนี้มีการค้าขายด้วยนักเกือก็ต้องช่วยอยู่ทางนี้มากหน่อยแต่ข้อใหญ่มันอยู่ที่ว่าลูกแม่เหรียญกำลังเป็นสาวนักเกือกก็ย่อมหนักใจต้องอ้าแขนอ้าขาเอาความรักเท่ามาในตัวเองตามระเบียบของพ่อเลี้ยง แต่ว่าใจนั้นก็รู้สึกว่าเนี่ยเกลือนี่ลำบากมากการเลี้ยงหญิงสาวถ้าเลี้ยงช้างเลี้ยงเสือยังผูกได้ใส่กรงได้แต่ว่านี่คนแท้ๆจะไปกักขังอย่างสัตว์ก็ไม่ได้ย่อมยากแก่การปกครองอยู่บ้างสายตาต้องยาวควบคุมทั้งที่มืดและที่สว่างเฮ้ยหมู่นี้ขอดูหน้าเองบอกบุญไม่รับเชียวไอเรืองพี่ใหญ่พูดขึ้น ล, ลอยๆผมยังไม่ตอบคาพี่ใหญ่ก็หยิบมะขามสดจิ้มเกลือแกล้มเหล้า เองมันก็ไม่สบายใจเหมือนกันแต่จะตรงกับเองหรือเปล่าข้าก็ไม่รู้พี่ใหญ่พูดอีกแล้วก็ทิ้งทายให้เป็นแง่คิดไว้กับผมเรื่องไอ้คนงานเข้าใหม่ที่มีหนวดเข้ารุงรังใช่ไหมล่ะผมเป็นคนพูดจาขวัญผ่าซากก็ว่าเข้าไปให้นั่นพี่ใหญ่ก็วางแก้วเหล้ากับโต๊ะดัง ก, ก๊กแต่ก็ไม่ได้มองดูหน้าผมเขาเบือนไปดูคนงานที่กําลังเตรียมจะทํางานถนนภาคค่ําอย่างนั้นพี่ใหญ่ก็คิดอะไรตรงกับฉันนสิผมพูดแล้วก็รินเหล้าอีก พี่ใหญ่ตอบรับอยู่ในลําคออย่างครั้นๆเครื่องหัวเราะเครื่องคำรามไอ้ปุ๋ยคิดว่าเราจํามันไม่ได้แล้วสิพี่ใหญ่พูดแล้วก็ดื่นเล่าไอ้ปุ๋ยคิดว่าเราจํามันไม่ได้ก็แล้วไปเถอะทีนี้เนี่ยมันจะคิดว่าเราสองคนจํามันได้ดีแต่ทําเป็นจํามันไม่ได้แล้วเราก็แอบไปบอกตํารวจมารวบตัวมันแล้วมันก็สัญชาตเสือจะต้องคิดแหวงกัดเราผมพูดอย่างไม่อ้อมไม่คอมละอืมถูกของมึงไอ้เรืองพี่ใหญ่พูด แต่ว่าเราสองคนเนี่ยจะรับรองไม่มีใครใจหมาแน่นอนว่ะพี่ใหญ่พูดแล้วก็ถ่มน้ำลายออกไปนอกร้านในครู่นั้นนัเกื้อหมดธุระที่จะช่วยหยิบของก็มาร่วมดื่มกับทางเราเราสองคนก็เล่าความจริงตามเดิมให้นัเกื้อฟังตั้งแต่ในคืนนั้นในวันเกิดเหตุที่หน้าวัดพนัญเชิงตลอดเรื่องนัเกื้อฟังแล้วก็ก้มหน้าคิดเป็นครู่หนึ่งมันก็เสือร้ายแต่มันก็เคยดีกับเองนี่ข้าว่า ถ้าเองสองคนจะหาความสงบทำไม่รู้ไม่ชี้จำมันไม่ได้ไปเลยดีกว่าไปก่อเวร น, นะค่ะว่าน็กเกอร์พูดเรื่องของตำรวจก็ให้เป็นเรื่องของตำรวจไปสิแต่ว่าชาติเสืออย่างเราใจมันไม่ได้มันทำเฉยเราก็ไม่รู้ใจมันไอ้นี่มันอำ ม, มหิตมือก็ไวทาญาติผมเห็นกับตาเชียวนะมันโดดเข้าไปหาไอ้จ่างแวบเดียวไอ้จ่างล้มลงแล้วมันก็โดดหนีไปไม่มีใครสนใจจะติดตามมันต่างมาห่วงไอ้จ่าง แต่ไอ้จากเนี่ยมันก็ตายไปซะแล้วพี่ใหญ่พูดอย่างหนักใจผมเห็นความจริงตามที่พี่ใหญ่พูดไม่ใช่พูดว่ากลัวไอ้ปุ๋ยคนด้วยกันกลัวกันทําไมแต่เมื่อพูดถึงสันดานไอ้ปุ๋ยก็น่าจะระวังตัวไว้มันไว้ใจยากรูปร่างมันก็พระเอกลิเกนั่นแหละแต่ใจมันเป็นเสือไว้ใจมันไม่ได้ปุบปับมันเกิดใจสัตว์ขึ้นมาเราก็เสียท่าปกติมันก็เคยเป็นเพื่อนเรา แต่ถ้ามันเกิดระแวงว่าเราเป็นศัตรูมันก็ย่อมใช้อารมณ์เสือกับเราครั้นจะรีบทํากับมันก่อนกลับดูว่าเราเนี่ยเป็นคนใจสัตว์เพราะเรื่องของมันที่ฆ่าเขาก็เกิดจากการเหลืออดโดยแท้เป็นไปชั่ววูบก็กลายเป็นเสือไปดังนั้นนี่เราใกล้เสือนะก็ระวังเอาละกันนะเพื่อให้กําลังใจไอ้ปุ๋ยเป็นวัวสันหลังว่ะ ที่มันทำงานกะกลางคืนไม่กล้าเอาเนื้อสันหลังอวดเหี่ยวอวดกากลางวันกลางคืนก็มืดอยู่แล้วแถมยังใส่หมวกซะอีกใครจะจาหน้ามันได้นอกจากเราที่เคยกินเคยนอนด้วยกันไอ้ปุ๋ยเป็นคนงานมาสมัครใหม่ทำอะไรไม่เป็นก็อยู่ผแผนกขนดินส่วนผมกับพี่ใหญ่ชำนาญงานแล้วก็เข้ากะกลางวันหน้าที่ศาสตร์รวดละเอียดให้รถบททับกลางคืนเราก็ขอเวลากินเหล้าบ้างเที่ยวบ้าง แต่ว่าหมู่นี้ไม่ได้ย้อนกลับไปเยี่ยมเจ๊เนยที่ตลาด4ี่แยกสนามเป้าเลยก็ช่วยหยิบหยิบจับจับอะไรช่วยนักเกื้อไปพอปิดร้านก็นอนเฝ้าขโมยให้เช้าวันหนึ่งนักเกื้อกำลังจ่ายงานอยู่ที่กองอำนวยการก็ได้แอ บ, บพูดเบาๆกับเราสองคนว่าเฮ้ยแม่เหรียญเขาบอกว่าสองสคืนมาแล้วมีใครไม่รู้มาแอ บ, บดําๆมองๆอ ง, องแถวข้างร้านเราแม่เหรียญเขาอยู่ข้างบนไม่ได้จุดไฟก็แอ บ, บดูลงไปข้างล่างได้สบายว่ะ เราฟังนกเกื้อพูดต่างนิ่งงนันเพราะว่าพวกเราเองก็ยังทายไม่ออกว่ามันเกิดจากอะไรที่เป็นแบบนั้นถ้าคิดก็เป็นไปได้หลายสถานาการณ์สถานาการณ์หนึ่งนกเกื้ออาจจะเกิดศัตรูในด้านชูสาวบางคนที่คิดจะฮุบเหยื่อแม่ไม้แต่เกิดมาแพ้เชิงชายนกเกื้อก็อาจจะคิดไม่ดีไม่ร้ายสถานสองหรือไอ้หนุ่มที่ไหนแอบมาด้อมมองคอยเชิงจเจริญสวัสดิกับลูกสาวแม่เหรียญก็ได้ เหตุผลมันมีอยู่ทั้งนั้นแต่ว่าสถานสมจะว่าไอ้ปุ๋ยแอ บ, บมาด้อมด้ ม, ม, มองมองดูผมกับพี่ใหญ่มันจะมาทำแบบนั้นทำไมกันมันก็ชาติเสือย่อมชอบแจ้งแจ้งและซึ่งหน้ามากกว่าเห็นจะไม่ใช่มันการที่มีคนมาด้อม ด, อ ม, ดอมมองๆองในยามค่ำคืนแถวร้านไม่เหรียญจึงยังเป็นปริศนาอยู่คิดไม่ออกทายไม่ออก แต่เราก็ระวังไว้ก่อนเราเองก็ไม่ยอมให้มีที่ไหวทางไหนที่จะมางัดแงะขโมยขจรหรือว่าจะบุกเข้ามาทำร้ายได้ส่วนไอ้ปุ๋ยเวลาเราพบมันเราพยายามไม่มองมันและมันก็ไม่มองเราหลีกกันไปหลีกกันมา นี่ไม่มีวิชาหากินอะไรทางอื่นได้อย่างกับเราสองคนจึงดันมาตกคลักอยู่ที่พวกธนูมานจองถนนทําให้เราเกิดความวุ่นใจอย่างมากการที่ทําไม่รู้จักทั้งทั้ ง, ท, งที่เคยอยู่เคยกินมาด้วยกันทั้งก็รักใคร่เห็นอกเห็นใจกันดีแต่ต้องมาทําเป็นเหมือนไม่รู้จักกันเพราะเกรงอะไรต่ออะไรอยู่หลายประการ ไอ้ปุ๋ยเป็นคนร้ายมาซ่อนตัวปะปนกับคนอื่นถ้ามันกับเราเกิดทักทายและก็รวมกลุ่มอย่างแต่ก่อนถ้าใครที่รู้ว่าไอ้ปุ๋ยคือใครแล้วเราสองคนจะเป็นอย่างไรล่ะความร้ายก็จะวิ่งมาหาไอ้ปุ๋ยเร็วกว่าเก่าเพราะอย่างไรเสียใครๆก็ต้องถามเราว่าไอ้ปุ๋ยคือใครมาจากไหนถ้าเราพลั้งปากบอกไปไอ้ปุ๋ยก็ตายเรื่องนี้ไอ้เสือคงคิดไว้แล้วจึงแกล้งห่างเราทั้งสองอยู่เสมอเย็นวันหนึ่งที่ร้านแม่เหรียญ คนก็มากหน้าหลายตาด้วยลูกค้าที่เข้ามาแออัดนักเกือก็ช่วยไม่เหรียญตัวเป็นเกลียวส่วนผมสองคนช่วยเขาบ้างช่วยตัวเองบ้างคือหยิบเหล้ามากินเองยันนี้สังเกตมีคนหน้าแปลกมา 3-4 คนหน้าตาเป็นผู้ใหญ่คนสี่คนเนี่ยนั่งดื่มเหล้าอยู่ที่โต๊ะหนึ่งแอบชำเลืองดูผมกับพี่ใหญ่ตลอดเวลาผมกับพี่ใหญ่ชักลุ่มใจไม่รู้ว่าจะมาดีหรือมาร้ายอะไรกับเรา พอชายสี่คนนี้ออกจากร้านเราไปเห็นคนงานทําถนนที่นั่งอยู่ทางประตูยกมือไหว้แล้วก็ยิ้มย่องเอากลับกันแล้วหรือครับมูคนงานทักพอสี่คนนั้นลับตาไปแล้วพี่ใหญ่จึงถามคนงานนั้นว่าถ้าจะเป็นทหารกระมังอ๋อตํารวจตํารวจทั้งสคนนั่นแหละตารวจหลักสีนี่เองคนงานตอบพี่ใหญ่ชำเลืองตาดูผมแวบหนึ่งผมรู้สึกใจหายไอ้ปุ๋ยเอาแล้วเอามึงมารุมมาตุ้มอยู่ด้วย ตำรวจเกิดมาสนใจพวกข้าเขาด้วยมันก็จะวุ่นละสิกลางคืนมีคนแอบมาด้อมๆมองๆกลางวันมีตำรวจมานั่งสังเกตการไอ้ปุ๋ยเป็นเหตุก็เราสองคนนี่ไม่เกี่ยวกับการเป็นเสือร้ายหรืออะไรกับเขาทำไมถูกตำรวจจ้องด้วยและไอตัวการลละสิมันลอยนวลทำงานอยู่ทุกวันตำรวจกลับไม่เห็นแล้วก็ไม่รู้จักพอนะเกื้อว่างงานก็แอบมาร่วมวงกับเราพี่ใหญ่กับเราก็พูดให้ฟังว่าเราสองคนเนี่ถูกตำรวจมาแอบจ้องมอง เพิ่งออกไปจากร้านเมื่อตะกี้นี่เองสี่คนนัเกือโบอกมือและพูดว่าเรื่องของตำรวจเขาต้องละเอียดละ อ, อนในการสืบสวนคงไม่มีใครบอกว่ามาจากไหนว่าไอ้เสือร้ายที่มาฆ่าไอจ้จางเนี่ยมันหลบมาทํางานที่นี่เฮ้ยอย่าไปคิดมากตำรวจเขาก็ต้องมาสืบสวนสอบสวนดูว่าคนที่มาทํางานที่นี่เนี่ยมีใครที่เป็นคนอยุธยาบ้างแล้วก็แก่2คนก็เป็นคนอยุธยามาก่อนเขาก็อาจจะมาดูาลาดเราละมั่ง ทั้งเขาก็ยังไม่รู้ว่าไอ้ปุ๋ยตัวการน่ะรูปร่างมันเป็นยังไงจะสมคบกับใครบ้างถ้าคนนั้นเป็นคนอยุธยาด้วยเขาก็จะควานใกล้เข้าไปอีกนะเกื้อฉี่แจงผมใจหายอุบะไปอยู่กับลิเกย์พักเดียวกลายเป็นลิเกไปแล้วเหรอเราเอ๊ะนะถ้าตำรวจเกิดมาถามฉันว่าเคยอยู่กับลีเกมาหรือเปล่าฉันมิต้องบอกเขาเหรอผมถามอ้าวก็ต้องบอกไปตามจริงสิวะนะเกื้อพูดแล้วกันฉันพยายามไม่เกี่ยวข้อง ไปพูดจริงๆเข้าเรื่องมันก็แตกผมพูดอย่างตกใจอุบะนาเกื้อร้องก็ ม, มึงอยู่ที่นี่มึงไม่เคยเห็นไอ้ปุ๋ยเลยเขาจะมาทำอะไรกับมึงก็ต้องบอกไปตามความจริงสิพอนะเกื้อดุผมก็ได้สติเออจริงทีเดียวเราทั้งสองไม่รู้จักไอ้ปุ๋ยอยู่แล้วเดี๋ยวนี้จะไปบอกทำไมว่าเห็นล่ะเราบอกปัดเสเลยไม่ได้เลยนะพี่ใหญ่พูดว่าฉันไม่ใช่คนอยุธยาไม่เคยรู้จักกับพวกลิเกเลย ไอ้ยหญมึงหาตารางใส่ปากมึงนะแล้วก็โดนกูด้วยที่เขามาสอบกับกูก่อนแล้วว่ามึงสองคนเนี่ยเป็นใครแล้วก็เคยอยู่ที่ไหนมาก่อนกูจะรับคนงานเถื่อนจรจัดไปทํางานได้หรือวะกูบอกเขาไปแล้วว่ามึงสองคนเนี่ยเป็นคนอายุทยามาก่อนแต่เรื่องจะรู้จักกับลิเกหรือไม่นั้นเนี่ยก็แล้วแต่มึงละกันแต่จะไปบอกเขาว่ามาจากที่อื่นแล้วก็จรจัดแน่ๆละคราวนี้จะเข้าลึกฐานพยายามจะปกปิดคนร้าย เนืกื้อดุเราสองคนอย่างไม่สบายใจมึงสองคนนะ่ยมีความรู้อยู่อย่างเดียวคือไม่เห็นไอ้ปุ๋ยเลยไม่พบเลยแต่ว่ามึงสองคนเนี่ยอย่าดันไปพูดว่าเคยรู้จักเขานะมึงเข้าปิ้งเลยนะเนืเกื้อหยุดดื่มเหล้าตำรวจนะเว้ยลงเขาถามปากคำแล้วก็เขามีมูลมาแล้วเขาไม่มาถามอะไรมึงอย่างส่งเดชหรอกเขาอาจจะไม่ถามมึงก็ได้กลัวมึงสองคนเนี่ยจะแอบบอกกับไอ้ปุ๋ยให้รู้ตัวเขาก็เสียการ เพียงแค่คอยสังเกตว่ามึงเนี่ยชอบพอกับใครมั่งก็พอแล้วนกเกื้อพูดไปสั่นหัวไปอย่างยุ่งยากใจถ้ากูไม่คิดละเอียดละอกูฟังมึงเล่าชีวิตไอ้ปุ๋ยให้ฟังกูก็กลัวจะยุ่งปลดมันออกจากงานโดยบอกมันให้รู้ตัวให้มันไปไปซะให้พ้นตำรวจก็สงสัยกูกูก็เลยต้องทนเลี้ยงเสือไว้อย่างนี้กลุ้มใจจะตายไปไอ้ปุ๋ยมันบอกกับนาะว่ามันเป็นคนที่ไหนเหรอพี่ใหญ่ถามมันบอกว่ามันเป็นคนสุพรรณ กูก็ลงบัญชีไปแล้วก็ให้ตำรวจเขาดูนะเกลว่าเขาเชื่อไหมล่ะนะผมถามกูจะรู้เหรอว่าเขาจะเชื่อหรือไม่เชื่อจะเอาอะไรกับกูหละ่ะสมุดนั่นอะ่ะบอกมายังไงก็ลงไปตามนั้นพี่ใหญ่เอามือตบแททอยตนเองเป็นการคลายความมึนหัวเหตุการณ์ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นไอ้ปุ๋ยเข้ามาซื้อเหล้าไปกินเป็น ข, ดขวดๆไม่ยอมไปกินที่ร้านพอไอ้ปุ๋ยออกไปตำรวจก็เข้ามากินเหล้าก็เป็นตำรวจพวกเก่านั่นแหละ ผมใจหายวุบวับว่เจ้าประคุณเอ้ยจะไปกันที่ไหนก็ไม่ไปดันมาสมหัวกันอยู่ที่ร้านนี่แหละครั้นเราสองคนจะหลบเสียไปที่อื่นไม่อยากให้รู้ไม่อยากให้เห็นก็เป็นห่วงนะเกื้อว่าหนักแรงอยู่คนเดียววันต่อมาตำรวจชักจะมาที่ร้านถี่เข้าถี่เข้าและไอ้ปุ๋ยก็เข้าร้านถี่เข้าหากแต่ไม่เจอะกับตำรวจเท่านั้นหลีกกันไปหลีกกันมา ไอ้ปุ๋ยคงคิดว่าใครไม่รู้จักมันมันเดินอย่างผ่าเผยมีท่าทีนักเลงมีพักพวกติดตาม3มคนซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีรอยเหี่ยมอยู่ทั้งนั้นบางวันท่าลิเกเล่นกรอนสดขอซื้อเหล้านะเกือด้วยกรอนลิเกนะเกือก็ทำไม่รู้ไม่ชี้ขายเหล้าตามหน้าที่แต่ผมนั่นน่ะหรอหัวใจเต้นถี่ยิบไอ้ปุ๋ยชักชล่าใจลงสาแดงเป็นลิเกแล้วก็อวสารของมึงก็ใกล้ละ เพราะเรื่องของเมืองที่ติดตัวอยู่ก็คือลิเก้่าลีเกด้วยกันไอ้ปุ๋ยหิ้วเล่าออกไปนัเกือ้อชายตาดูผมกับพี่ใหญ่พี่ใหญ่ก็ทำหน้าคล้ายอยากจะร้องไห้พอไอ้ปุ๋ยพ้นร้านออกไปยังแทบว่าไม่สุดทางตำรวจพวกนั้นก็เข้ามาสั่งเล่ากินผมสะท้อนใจอยากจะหลบเข้าส่วมไปซะเลยปัดโถดันมาเดินสวนกันเล่นได้นเกือรับรองตำรวจพวกนั้นดีแล้ว ก็ขอตัวไปที่กองอำนวยการเพื่อสั่งงานร้องบอกผมกับพี่ใหญ่ให้ช่วยแม่เหรียญกับลูกสาวขายของด้วยแม่เหรียญขายเหล้าลูกสาวขายของอื่นๆนะกลือหายไปสักครู่ไอ้ปุ๋ยเดินกลับเข้ามาอีกคนเดียวผ่านตำรวจกลุ่มนั้นเข้ามาผมแทบจะจับไข่ไอ้ปุ๋ยทำเหตุแล้วมันเดินอย่างสบายใจเที่ยวดูของต่างๆคล้ายกับจะหาของแกล้มกินกับเหล้ามันไม่สนใจกับตำรวจและตำรวจกลุ่มนั้นก็ไม่ได้มองดูมันอาจจะไม่รู้จักหรือไม่เห็น นี่แม่นูไอปุ๋ยส่งเสียงเรียกลูกสาวแม่เหรียญขอกุ้งแห้งสักห่อเถอะนะกินแต่เหล้าไม่มีกับแกล้มมันฝืดฝืดคอยังไงก็ไม่รู้มันพูดแล้วก็ควักสตางเตรียมตัวจะจ่ายแล้วหันไปหาแม่เหรียญที่นั่งขายเหล้าทำงานหนักไม่ดื่มเหล้าช่วยไม่ไหวครับคุณนายมันว่าผมกับพี่ใหญ่ทำเลี่ยงไปทางอื่นหากเกิดตะลุมบอนกันขึ้นจะได้ผลลูกหลงไป ไอ้ปุ๋ยได้กุ้งแห้งแล้วก็ไม่อยากจะไปง่ายๆ ย, ยางเที่ยวเดินดูของกินอะไรต่อมีอะไรอีกอย่างใจเย็นนักจะว่ามันไม่รู้จักตำรวจพวกนั้นก็ไม่แน่นักคนชั้นสันหลังหวะจะไม่รู้จักว่าใครเป็นใครมึงจะครองตัวอยู่ได้ยังไงมันก็ต้องรู้จักกับตำรวจพวกนี้ดีเสียกว่าอะไรอีกแต่ดันมาทำใจเย็นในร้านนี้นะสิผมแทบจะจับไข้ ตำรวจก็ใจเย็นทายาททำเมนไม่รู้ไม่ชี้กินแล้วก็พากันออกจากร้านไปอาจจะไปตั้งท่าดูที่ใดที่หนึ่งโดยไม่ต้องการมายุ่งในร้านนี้ผมหายใจโล่งอกฉากตลุมบอลไม่มีแน่ในร้านนี้ในร้านนั้นก็เหลือเพียงแค่เสือตัวเดียววางสง่าผ่าเผย อ, อยู่และดูท่าทางกรุ้มกริ่มกับลูกสาวแม่เหรียญผมเกิดใจไม่สบายขึ้นมาอีกแต่ไม่ใช่เกี่ยวข้องกับการชิงรักหรอกนะแต่เราสองคนเนี่ย แม่เหรียนก็หวังพึ่งเราเป็นที่คุ้มกันแทนนะเกือ้อทั้งๆ ท, ที่เราไม่อยากจะยุ่งกับไอ้ปุ๋ยเลยแต่ก็ต้องยุ่งซะแล้วมันรูปกระบาลกันอย่างนี้มันทนไม่ไหวเสือก็เสือเพื่อนก็เพื่อนเถอะมันทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังอย่างเราเราคิดว่ามันเป็นเพื่อนเราไม่ฆ่ามันแต่มันจะทำให้เราเสียหายคิดดูเถอะครับเราอาศัยข้าวสุกเขากินเขาจะได้พึ่งความเป็นผู้ชายของเราบ้างถ้าพึ่งไม่ได้มันก็สิ้นคนละชักละอายใจ คราวนี้กูยอมเป็นคนใจหมาแล้ววะผมปราดเข้าไปหยิบของต่างๆจัดเสียใหม่ขวางไม่ให้มึงมาทำกรุ่มกริ่มกับเบียบสาวได้สังเกตว่าแม่เหรียญจะขอบใจผมอยู่ในทีพี่ใหญ่ยักคิ้วให้ผมลงท้ายกูก็เป็นเพื่อนมึงทั้งมึงเคยช่วยกูเมื่อครั้งโน้นจะต้องสังหารมึงซะแล้วเสือก็เสือเถอะกูจะหักคอมึงละลูกผู้ชายหลู่ชายด้วยกันไอ้ปุ๋ยดูจะรู้ทีถ้าดูๆอะไรนิดๆหน่อยๆแล้วก็เดินออกจากร้านไป ผมดื่มเหล้าแล้วก็ถ่มน้ำลายลงด้วยความกลัดกลุ้มนัเกื้อกลับจากงานและผมได้พูดให้ฟังถึงท่าทางกิริยายิ่งใหญ่ของไอ้ปุ๋ยมันทําให้ผมที่จะสงบจิตสงบใจลงไม่ไหวมันจะจําเองกับไอ้ใหญ่ได้ลรือมั้งนเ ก, กื้อว่าปะโตมันหยกหยกนี่เองจากกันมาสองสเดือนนี่เองแล้วผมกับพี่ใหญ่ก็อยู่ธรรมดาไม่ได้ไว้หนวดไว้เคราวที่ไหนทําไมมันจะจําไม่ได้ส่วนมันไว้หนวดไว้คราผมยังจํามันได้เลยผมว่า จริงของมึงนาเกื้อพูดกูพูดไม่ถูกเองเนี่ยมันเคยอยู่เคยกินกันมาแล้วแต่เองจะเลี้ยงมันไว้หรือจะฆ่ามันก็ตามใจแต่ขอเตือนนะว่าทำอะไรก็อย่าโมโหตรงใจเย็นไว้ยพี่ใหญ่เอาก้นแก้วกระถุงโต๊ะเล่นดังก๊กอย่างกลุ้มใจเห็นว่าจะไม่มีคนมาซื้อของอีกแล้วก็ช่วยกันปิดร้านนาเกื้อต้องกลับไปที่ทาการอีกคุมงานก่อสร้างจนกว่าจะสว่าง ในร้านจึงเหลือแต่พวกเราแม่เหรียญกับลูกสาวอาบน้ำแล้วขึ้นข้างบนผมเตรียมที่นอนทางหน้าร้านพี่ใหญ่เตรียมนอนทางด้านครัวและห้องน้ำเฝ้ากันคนละด้านในครู่นั้นเองมีเสียงเอะอะกันที่ด้านถนนที่กำลังทำงานเสียงเอะอะผิดหูผมจึงเปิดหน้าต่างด้านข้างร้านมองไปที่ถนนที่คนงานขวักไข่ได้ยินเสียงคนพูดกันว่าเรื่องเด็กๆแอบมาเกาะรถบดเล่นตามเคยแต่เกาะไม่ดีหลุดมือไป ดีแต่คนขับว่องไวห้ามล้อทันเกือบทับแหลกไปทั้งตัวเลยผมรู้เรื่องแล้วถอนใจยาวเด็กสนๆเหล่านี้จะมาตายและให้คนงานต้องติดคุกโดยใช่เหตุเห็นไม่มีเหตุอะไรอีกแล้วผมก็เลยเตรียมตัวจะปิดหน้าต่างแต่มีใครไม่รู้ยืนอยู่ในที่มืดใกล้หน้าต่างรองเรียกชื่อผมเบาๆผมจึงชะ ง, งักยังไม่ได้ปิดหน้าต่างไอ้เรื่องไอ้เรื่องเสียงนั้นเรียกเบาๆใครวะผมถามไปกูเองปุย๋ย ปุ๋ยไงล้ววะเสียงตอบมาได้ยินถนัดทั้งทางที่ผมกําลังเดือดแค้นไอ้ปุ๋ยอยู่แต่พอรู้ว่าคนเรียกคือไอ้ปุ๋ยผมถึงกับสะดุ้งและใจหายเพราะไม่คิดว่าจะถูกจู่โจมแบบนี้ประจันหน้ากันเพียงตัวต่อตัวพี่ใหญ่เข้าไปนอนสะทางด้านหลังแต่ไอ้ปุ๋ยอยู่ที่พื้นดินผมอยู่บนร้านระยะห่างกันเพียง3เมตรเองอย่าตกใจเลยไอ้เรื่องข้ามาเยี่ยมเองกับไอ้ใหญ่หรอกข้าไม่มาก่อกรรมทําเขียนอะไรที่นี่หรอกการงานข้าก็มาสมัครทําเล่น มันพูดข้างเดียวผมยืนฟังมันพูดอยู่อย่างระวังตัวเองจะเอาอะไรที่ค่าผมถามมันเปล่ามันตอบก็บอกแล้วว่ามาเยี่ยมมันตอบอย่างเสียงไม่พอใจแต่เองเนี่ยมีผิดติดตัวอยู่นะมันมีภัยนี่ว่ามาวนเวียนทำไมวะผมว่าไปใครจะมาทำอะไรไอ้ปุ๋ยวะมันถามแล้วก็หัวเราะไม่มีใครทาอะไรมันได้หรอกข้ารู้ดีเองกับไอ้ใหญ่เนี่ยแกล้งทาเป็นจาข้าไม่ได้ เองสองคนกลัวตำรวจรู้ข้ารู้แต่อย่าตกใจเลยไม่มีใครทำอะไรไอ้ปุ๋ยได้หรอกข้าตายมานานแล้วฮะผมเกือบตะโกนจริงข้าตายตั้งแต่คืนนั้นแหละพอข้าไอ้จ่างตายแล้วข้าก็โดดน้ำหนีแต่ว่าน้ำหน้าวัดมันแรงวะ่ะพัดเอาตัวข้าเข้ากระแทกกับเขื่อนปูนหัวฟาดเต็มแรงข้าก็หมดสติจมลงก้นน้ำแล้วก็ขาดใจตายก้นน้ำลอยไปใต้น้ำข้าเป็นคนตายแล้วมีแต่ชื่อ ใครจะทำไมคฆ่าวะตำรวจเหรอจะเอาฆ่าไปทำอะไรคนตายแล้วเองกับไอ้ใหญ่จงอยู่เป็นสุขเถิดข้ามาเยี่ยมเท่านั้นเองลากรผมยืนตัวเบาหวิวอยู่นานพอรู้ว่าไอ้ปุ๋ยตายแล้วพอมันบอกลาแล้วมันก็หายไปกับตาผมเซงหายหลังแต่ไม่ยักกระหงายไปจริงๆมารู้คราวหลังว่าพี่ใหญ่รับไว้ทันเขาแอบมาข้างหลังเมื่อไหร่ไม่รู้พอตอนเช้าพี่ใหญ่นเกือ้อและผมรวมกัน แล้วก็เล่าเหตุการณ์ทั้งหมดให้ฟังกูก็สงสัยเหมือนกันว่าทำไมไอ้ปุ๋ยดูกล้าหาญไม่กลัวตำรวจเลยพี่ใหญ่ว่าอืมนะัเกื้อครางมันตายแล้วตำรวจจะเห็นมันได้ยังไงวะแต่เอ๊ะเราสองคนเห็นมันนิ่ผมว่าถูกละไอ้ปุ๋ยต้องการให้เองเห็นกันนะสิแต่มันไม่ได้ให้ตำรวจเห็นนี่หว่านะัเกื้อพูดให้เราฟังอีกว่าเรื่องของผีไม่ใช่จะเห็นกันได้ทุกคนถ้าผีไม่ต้องการให้เห็น บางทีเดินไปสองคนเห็นคนเดียวเท่านั้นนี่ก็แสดงว่าตำรวจไม่เคยเห็นตัวไอ้ปุ๋ยเลยเป็นแต่ได้รับใบแจ้งมาอย่างเงาๆเหมือนกันว่าไอ้ปุ๋ยมาทางนี้ครั้นมาเข้าจริงก็ไม่เห็นตัวมันก็เลยคอยดูท่าทางจากเจ้าเรือกับเจ้าใหญ่เพราะว่าเป็นคนอายุทยาด้วยกันถ้าพบกันเข้าจะต้องทักทายกันเขาก็จะแกะรอยมันจนเอาตัวมันได้แต่นี่มันเป็นผีไปแล้วเอ๊ะพี่ใหญ่ร้อง ตำรวจทางอายุธยาจะไม่รู้แล้วว่าไอ้ปุ๋ยตายลอยน้ําแล้วไม่แน่โว้ยมันเน่าแล้วลอยไปติดที่ไหนปลาแอบตอดแทะหน้าแทะตากินซะก่อนจะไปรู้ได้ยังไงหรอว่าใครเป็นใครคนตกน้ําตายกันบ่อยๆนะเกลือว่านี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของอาจารย์เหมเวชกรหรือว่าครูเหมเวชกรนะคะขอบพระคุณสําหรับการติดตามรับฟังค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปให้กับบีด้วยนะคะขอบคุณสําหรับการรับฟังสวัสดีค่ะ